วันนี้เป็นวันครบรอบปีที่เก้าของคณะจุลธรรมที่ได้มาเริ่มบังเทศฟังธรรมตั้งแต่เดือนมิถุนาพศ2548มาปีนี้ก็ 2,000 ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเดือนมิถุนาก็ครบเก้าปี<อ>ผลงานที่เกิดจากการมาฟังเทศฟังธรรมการเดินละหนึ่งครั้งก็ได้หนังสือจุลธรรมนำใจสามสิบแปดเล่ม น, นี่เป็นผลที่ปรากฏให้เห็นได้ อย่างชัดเจนส่วนผลทางด้านจิตใจอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าได้มากหรือได้น้อยผู้ที่มาศึกษามาปธิบัติเพิ่งรู้ได้ด้วยตนเองเพราะเป็นสันทิฏิโกการมาฟังเทศฟังธรรม อยู่เป็นประจำก็เหมือนกับการไปหาหมอเพื่อไปรับยู่รับยามารับประทานมารักษาโรคโรคที่พวกเรามีกันอยู่ทุกคนก็คือโรคของความทุกข์ใจยาที่เรามารับไปรักษาก็คือธรรมโอสถ คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถรักษาโรคของความทุกข์ใจให้หายขาดได้อย่างคาวร อ, อยู่ที่ผู้ที่รับยาไปว่าจะรับประทานยาตามที่หมอหมอบไปให้ได้หรือไม่ ถ้าสามารถรับประทานยาตามที่หมอสั่งไปโรคไปคือโรคของความทุกข์ใจก็ต้องหายไปเพราะยาธรรมโอสถนี้ได้รักษาโรคของความทุกข์ใจของคนมาเป็นจำนวนมากแล้ว เป็นเวลาอันยาวนานแล้วนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระปฐ ม, มเทศนาโปรดแก่พระปัญจวัคคีก็มีผู้ที่รับยาไปได้ดับความทุกข์ภายในใจในขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันได้หนึ่งรูป คือพระอาญญานโกนทัญญะหลังจากนั้นเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมเอกก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันทั้งห้ารูปได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างท้าวรได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างท้าวรพระบุทธศาสนาเนี่ย สั่งสอนคนนอกศาสนาทั้งนั้นพราะสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัสรูุนั้นยังไม่มีพุทธศาสนิกรชนมีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวบุคคลต่างๆที่มาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจนได้บรรลุมาผลนิพพานขั้นต่างๆ ล้วนเป็นบุคคลนอกพระพุทธศาสนาเป็นบุคคลที่มีศาสนาอื่นมีคำสอนอื่นเป็นครูเป็นอาจารย์แต่คำสอนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะสอนให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีเพียงพระพุทธเจ้ามีเพียงคำสอนของพระพุทธเจ้า เพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่สามารถสอนให้เขาได้ดุจพ้นจากความทุกข์ได้หลังจากที่เขาฟังทำแล้วและได้ปฏิบัติจนดับความทุกข์ภายในใจได้หมดแล้วเขาก็เปลี่ยนศาสนาขอบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนากันดังนั้น ศาสนาพูดคำสอนของพุทธเจ้านี้จึงไม่ได้เลงไปที่ชาวพุทธศาสนิกชนเลงไปบุคคลที่ไม่มีที่นับถือศาสนาอื่นหรือไม่มีศาสนาเพราะเป็นเหมือนกับคนที่ไม่มียารักษาโรคหมอก็ต้องไปรักษาคนไข้ที่มียา ที่ไม่มียารักษาโรคให้เขาได้มียารักษาเพื่อเขาจะได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่สากลคือบางท่านถามว่าคนที่เขานับถือศาสนาอื่นเวลาเขาทำบุญเขาจะได้รับอนุสงเหมือนกับ ชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่หรือเวลาเขาตายไปแล้วเขาอุทิศบุญให้เขาได้หรือไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนสากลคือใช้ได้กับมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนา พ, พระพุทธเจ้าในพระพุทธคุณก็แสดงไว้แล้วว่าเป็นสัตถาเทวมนุษย์สาวน้อเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอย่าว่าแต่มนุษย์เลยเทวดาที่เราไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ก็ยังนับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาฟัฟงเทศน์ังธรรมจากพระพุทธเจ้า และได้รับประโยชน์ได้รับอนิสงส์ได้บรรลุมากผลได้ทั้งที่ยังเป็นเทวดาอยู่บางท่านก็เคยสงสัยว่าถ้าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วยังจะปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ถ้าฟังจากตำราก็ควรจะได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนเทวดาเช่นพระพุทธมารดา ให้บรลุเป็นพระโสดาบันไดแต่เทวดานี้ก็มีหลายพ ว, พวกเทวดานี้ก็เป็นเหมือนกับพวกที่ไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลาและมีเงินเหมือนคนที่ทำบุญนี้ก็เหมือนกับมีเงินเวลาตายไป ก็สามารถไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ได้แต่คนที่ไปท่องเที่ยวนี้ก็มีบางหลายพวกบางพวกก็ท่องเที่ยวแล้วก็แวะไปทำบุญด้วยเช่นคนที่ไปท่องเที่ยวที่ประเทศอินเดียอาจจะไปดูสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แวะไปที่สังเวชนิชยสถานศี เพื่อแสวงบุญเทวดาบางพวกก็เป็นพวกที่สนใจธรรมถึงแม้ว่าจะได้เป็นเทวดาได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์แต่ถ้ารู้ว่าที่ไหนมีพระพุทธเจา้าหรือมีพระอรหันต์แสดงธรรมเขาก็จะแวะไปนมัสการไปฟังธรรมกันเทวดาพวกนี้ต้องเป็น พวกที่มีจิตใจใฝ่ธรรมคือมีนิสัยชอบมาวัดอย่างพวกเราอย่างนี้ที่มีนิสัยที่จะมาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องมีโอกาสสูงที่เวลาตายไปแล้วจะได้ไปฟังเทศฟังธรรมจากพระอาหารหันต์หรือจากพระพุทธเจ้าบางบางรูปบางองค์ได้เพราะ เวลาไปสวรรค์ก็จะมีเพื่อนเทวดาด้วยกันที่จะส่งข่าวผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่านทางเลาผ่านทางไลายให้รู้ว่าที่ไหนมีการแสดงธรรมเทศนาพอถึงวันเวลานั้นก็จะแวะเวียนกันไปอย่างสมัยที่พระพุทธเจ้าดมดำรงพระชนที่อยู่ ก็ทรงแสดงโปรดเทวดาทุกคืนเป็นหนึ่งในพุทธกิจทรงดำเนินอยู่ประมาณสี่สิบห้าปีด้วยกันช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เทวดามีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ศึกษาเท่าเทียมกับมนุษย์ในช่วงบ่ายก็เป็นเวลาของคารวาดญาติโยมในช่วง ค่ก็เป็นเวลาของพระภิกษุสั ม, มเณรภิกษุณีในยามดึกก็เป็นช่วงของเทวดาและในยามรุ่นอรุณ์ตอนก่อนที่จะทรงออกบินทบาทก็ทรงเร่งญาณดูว่ามีใครบ้างที่เหมาะสมกับการรับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในวันนั้น พระองค์ก็จะมุ่งไปโตรวจบุคคลนั้นเพราะอาจจะมีกรณีพิเศษที่ทําให้เขาอาจจะต้องอคือจิตใจเขาอาจจะสุขงอมพร้อมที่จะรับพระธรรมข้อสอนน่าชีวิตของเขาอาจจะต้องใกล้จะหมดไปถ้าไม่ไปรีบตรวจบุคคลนี้ก่อนก็อาจจะไปไม่ทันนี่คือเหตุผลของการ เลงยานของพระพุทธเจ้าเพื่อดูจิตใจของบุคคลใดบ้างที่สุกะสุขงอมพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะบรรลุทำได้และมีเวลาเหลือน้อยชีวิตของเขาอาจจะต้องหมดไปในเวลาในระยะเวลาอันใกล้พระองค์ก็จะมุ่งไปปรุบุคคลนั้น นี่คือเรื่องของธรรมโอสถ์ยารักษาโรคใจที่รักษาโรคใจของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกวัยทุกเพศไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามถ้าได้รับยาคือว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะรักษาโรคของความทุกข์ใจ ให้หายขาดไปได้เพราะอย่างที่ได้แสดงไว้ในสมัยแรกๆในพระพุทธศาสนาก็ไม่มีพระพุทธศาสนาเอกชนก็ต้องสอนบุคคลที่อยู่นอกศาสนาทั้งนั้นต่อมาเมื่อมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาหันหน้ามานับถือพระพุทธศาสนาจึงปรากฏมีพุทธศาสนิกชน ปากฏขึ้นมาตามลำดำับจะมีเป็นจำนวนมากแต่การมีจำนวนมากนี้กลับเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าไปเพราะว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเพียงแต่ชื่อคืออย่างประเทศไทยเรานี้เราก็ทราบกันว่ามี ชาวไทยที่นับสือพุทธศาสนาในทะเบียนประมาณ 90% ซแต่การประพฤติของชาวไทย 90% ์นี้ไม่สอดคล้องกับการเป็นพุทธศาสนิกชนเลยเพราะถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนจริงนั้นจะต้องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งคือต้องมีความเชื่อฟังมีความเคารพ ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเช่นทำบุญสายบาตรทุกวันเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมในวันพระละเว้นอบายมุขต่างๆเช่นการเดินจรายามเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรและความเกียดค้าง ในทางความเป็นจริงนั้นชาวไทยเราชาวพุทธไทยเรานี้ไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่ขั น, นปล่อยให้มีสถานแหล่งบันเทิงต่างๆที่เที่ยวกลางคืนออกบ้านเหมือนดอกเห็ดมีสถาบันการเล่นกา ร, ระนันถูกต้องตามกฎหมายคือสลาดเินแบ่งของรัฐบาล แล้วก็มีโรงผลิตสุรายาเมาถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลเหล่านี้ไม่ได้เป็นเครื่องหมายของการเป็นแาวพุทธถ้าเป็นแถวพุทธจริง 90% ในเมืองไทยนี้ควรจะไม่ไ ม, มีไม่มีสถานบันเทิงไม่มีบาร์ไม่มีผับที่จะไปดื่มสุรายาเมาไม่มี บ่อนการพนันที่จะไปเล่นการพนันกันแต่นี่ก็เป็นเพราะว่าเป็นพุทธเพียงแต่ชื่อไม่ได้เป็นพุทธที่ตัวที่ใจถ้าเป็นพุทธที่ใจนั้นจะมีการปฏิบัติสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่เป็นก็เพราะว่าไม่ได้มาศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมกันนั่นเอง เกิดมาก็เพียงแต่เชื่อตามปุยายตายายบิดามันดาปุยาตายายบิดามันดาเชื่ออะไรก็เชื่อตามทำก็ทําพอหอมปากหอมคอเช่นในวันสําคัญในวันเกิดวันปีใหม่หรือเวลาทําบุญขึ้นบ้านใหม่ทําบุญครรอบคน คนตายทำบุญครบรอบวันเกิดหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีการทำบุญกันก็ได้เพียงระดับผิวระดับเปลือกส่วนลึกเข้าไปนั้นจะไม่ค่อยได้กันคือระดับศีลและระดับภาวนาศีลห้านี้ก็รักษากันไม่ค่อยได้อบายามุกก็ลเว้นกันไม่ค่อยได้ อย่าไปว่าถึงเรื่องภาวนาเลยภาวนานี้แทบไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่านั่งหลับตากันไปทาอะไรหาอะไรได้อะไรจากการานั่งหลับตาไม่ค่อยรู้กันเรื่องราวเหล่านี้เพราะขาดการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองจึงไม่ได้ถือว่าเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง พราถ้าเป็นยาพูดอย่างแท้จริงนีจ่จะปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครับและจะได้รับอ น, นิสงค์จากการปฏิบัติตามก็คือได้ดับความทุกข์ตามกำลังของการปฏิบัติได้รับอ น, นิสงค์อย่างน้อยที่สุดก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบาย คือถ้ารักษาศีลห้าได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอ บ, บายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีไม่ต้องไปตกนรกถ้ารักษาศีลเพียงอย่างเดียวก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยถ้าได้ทำทานด้วยก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพ ขั้นต่างๆถ้าภาวนาทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้ก็จะเป็นโทมขั้นต่างๆถ้าเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอริยสัจสี่ได้ตัดทิฏเกเรตันหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ก็จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นพระโสดาบันขั้นที่สองก็คือพระสกิดาคามีขั้นที่สามก็คือพระอนาคามีขั้นที่สี่ก็คือขั้นพระอาหารหันต์ซึ่งเป็นผลที่ชาวพุทธในสมัยพระพุทธกาลนี้ได้รับกันเป็นจํานวนมากจนถือเป็นเรื่องปกติไม่เหมือนกับสมัยนี้ การที่จะได้บรรลุผลต่างๆเหล่านี้นั้นกลับกลายเป็นของแปดประหลาดไปเป็นของที่ไม่น่าเชื่อไม่น่าจะเป็นไปได้กันเพราะมีผู้ที่ปฏิบัติและบรรลุผลนี้มีจำนวนน้อยนั่นเองนี่แหละคือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของพวกเราที่เป็นชาวพุทธศาสนิกชน พวกเราควรที่จะเปรียบเทียบดูในสมัยพระพุทธการกับในสมัยปัจจุบันว่าทำไมพวกเราจึงไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนผิพพานขั้นต่างๆได้มีอะไรเป็นอุปสรรคมีอะไรเป็นปัญหาถ้าเราพิจารณาเราก็อาจจะแก้ปัญหาแก้อุปสรรค ได้และทำให้เราได้รับผลได้รับมรรคผลนิพพานกันได้นี่บในสมัยพระพุทธการก็มีพระพุทธเจ้ามีพระอาารัลาันตัสาวกเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วผู้ที่ศึกษาก็มีศ ร, รัท ธ, ธามีความเชื่อศึกษาอย่างจริงจังปฏิบัติอย่างจริงจังผลนี้ก็เลยปรากฏขึ้นมาอย่างจริงจัง สมัยนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามแต่พระองค์ก็ทรงตัดไว้ว่าพระธรรมวินัยที่พระองค์ได้ตัดสอนไว้แล้วนั้นจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปเราก็ยังไม่อยู่ปราศจากศาสดาคือเราก็มีพระไตรปิฎกมีพระธรรมคำสั่งสอนต่างๆพระสูตรสําคัญต่างๆ ที่เราสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติตามได้เราเป็นชาวพุทธเราเคยอ่านพระสูตรของพระพุทธเจ้ากันมากหรือเปล่าพระสูตรก็คือคำสอนเช่นธรรมจกักรปวัตนสูตรอนัตตลักษณะสูตรสติปัฏฐานสูตรมงคลสูตรนี่คือพระสูตรสําคัญสําคัญ ที่เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธเราต้องรู้จักพระสูตรเหล่านี้ถ้าเรารู้เราก็จะสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามก็เพราะว่าเราไม่รู้กันเราไม่ได้ศึกษากันดังนั้นเราต้องแก้กปัญหาที่ตรงนี้คือเราต้องพยายามศึกษาพระสูตร สำคัญสําคัญของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะยังศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อีกวิธีหนึ่งก็ศึกษากับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ได้บรรลุมรกคผลนิพพานแล้วถ้าเรารู้ว่าที่ไหนมีพระอย่างนั้นอยู่เราก็โจดไปศึกษากับท่านเหล่านั้น เมื่อเราได้ศึกษาเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเมื่อเราได้ศึกษาแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราแล้วที่นี้ว่าเราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเหมือนกับเราไปรับยาจากหมอแล้วอยู่ที่ว่าเราจะรับประทานยาหรือไม่รับประทานยานะถ้าไม่รับประทานยาต่อให้ไปหาหมอกี่ร้อยกี่พันครั้ง โครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีวันหายได้ชู่ยอย่าไปให้เสียเวลาดีกว่าถ้าไปรับยามาแล้วก็ต้องนำเอายานั้นไปรับประทานเพราะเมื่อรับประทานยาแล้วยาจะได้ทำหน้าที่รักษาโาครคไผ่ไข้เจ็บได้โครคภัยไข้เจ็บก็จะหายได้อย่างแน่นอนเพราะยานี้ได้รักษาโรคนี้มา กับคนไข้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วมีผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจานวนมากมานับตั้งแต่สมัยพระพุทธการมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้แล้วไม่น่าจะสงสัยว่ายานี้รับประทานแล้วจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หรือไม่เหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายเราไปหาหมอที่โรงพยาบาล เรือไปซื้ อ, อยาตามร้านขายยาพอเราซื้อมาแล้วนี่เราเรีบรับประทานกันเลยใช่ไหมเพราะเราเชื่อประสิทธิภาพของอยาอพอรับประทานเข้าไปแล้วไม่กี่วันก็หายจากโรคภัยไก่เด็ดแต่ทำไมายาอันวิเศษที่จะรักษาโรคที่รักษาได้ยากแสนยากนี้กลับไม่รับประทานกันนะ เป็นยาที่นานๆจะมีผู้ผลิตออกมาจำหน่ายสักครั้งหนึ่งเออนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกสักครั้งหนึ่งแล้วทําไมเราจะไม่รีบกันสมมติว่าถ้ามีบริษัทยาผลิตยารักษาโรคเอชหรือรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้นี่เราจะซื้อมารับประทานกันหรือไม่ ถ้าเราเป็นโรคเอดสถ้าเราเป็นโรคมะเร็งเราต้องซื้อมาอย่างแน่นอนเสียเงินเท่าไหร่เราก็ยอมเสียเพราะว่าเงินทองนั้นมันไม่มีค่าเท่ากับชีวิตของเราเงินทองเราเสียไปหมดไปเราได้ชีวิตกลับมาเราก็ยังสามารถหาเงินทองใหม่มาได้แต่ถ้าเสียชีวิตไปเงินทองที่มีอยู่ก็เราก็ใช้ไม่ได้อยู่ดี เราก็ควรจะคิดอย่างนั้นกับจิตใจของเราว่านานๆทีเราจะได้มาเจ อ, อยารักษาโรคของใจคือโรคของความทุกข์ใจนี้ให้หายขาดได้ทำไมเราจะมาเสียดายเงินเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะหาเมื่อไหร่ก็หาได้ตายจากพบนี้ไปเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่ ก็มาหาความสุขแบบนี้อีกก็ได้แต่ชาตินี้เป็นชาติที่เราได้มาเจ อ, อยารักษาโรคใจที่นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งทําไมเราไม่ยอมรักษากันทําไมยังเสียดายเวลาของการหาความสุขทางร่างกายกันอยู่ทําไมยังเสียดายกับการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย ทำไมรักษาศีลแปดมันไม่ได้ถ้ารักษาสินแปดได้ก็แสดงว่ายัางเสียดายความสุขทางร่างกายอยู่ยังไม่ยอมรักษาโรคทางทางใจกันยังไม่ยอมรับประทานยาศีลแปดนี่ก็เป็นย่ารักษาโรคใจผู้ที่อยากจะรักษาโรคภัยโรคใจให้หายขาดนี้จําเป็นจะต้องรักษาศินแปดขึ้นไป ศีลแปีลสิศส้ี 8, สิบและศีลสา0กว่าข้อศีล8ก็ของอุบาสกุบาสิกาหรือแม่ชีศีนสิก็ของสา ม, มเณรศีส้ีิบก็ของพระภิกษุศีน300กว่าก็ของพระภิกษุณีถึงแม้ว่าสมัยนี้จะไม่มีพระภิกษุณีถ้าเราอยากจะเป็น ภิกษุณีใครจะมาห้ามเราได้ภิกษุณีอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่โกนหัวห่วมผ้าสีเหลืองหรือว่าอยู่ที่มีศีลสามร้อยกว่าข้อนี้ถ้าเราอยากจะเป็นภิกษณุณีเราก็ไปอ่านศึกษาดูสิว่าภิกษุณีรักษาศีลกี่ข้อกันมีอะไรบ้างเราก็รักษามันไปเหมนจะเป็นจะต้องโกนหัวห่วมผ้าเหลืองให้คนเข้ามารับรองมาเคารบนับถือเราเลย เพาการบวชนี้ไม่ได้บำบัดเพื่อให้คนมานับถือเราเหมือนกับการกินยานี่ไม่ได้กินยาเพื่อให้คนเขามานับถือเราว่าเราเป็นคนดีเชื่อฟังหมอหมอให้ยามาก็กินตามยาหมอสั่งมันไม่ได้กินยาเพื่อแบบนั้นใช่ไหมเรากินยาเพื่อรักษาโรคไข้แ c a เจ็บของเราให้หายไปใครก็จะมาชื่นชมยินดีกับการกินยาของเราหรือไม่เราก็ไม่สนใจฉันใด การเป็นภิกษุณีก็เป็นได้กันทุกคนปัจจุบันนี้ก็เป็นได้แต่ไม่เห็นจำเป็นว่าจะต้องให้มีการรับรองเป็นทางการต้องให้รัฐบาลมารับรองต้องให้สถาบันสงมารับรองไอ้นี่มันเป็นเปลือกเท่านั้นหละไอ้ตัวเนื้อทำไมไม่เอาทำไมเราไม่รับรองตัวเราเองถ้าเรารักษาศีลของภิกษุณีครบถ้วนเราก็เป็นภิกษุณี เราก็รับรองตัวเราเองได้ไเน่ต้องให้คนอื่นมารับรองเลยแล้วใครได้รับประโยชน์จากการรักษาศีลได้ครบถ้วนบริบูรณ์คนที่รับรองเราหรือหรือเราผู้ปฏิบัติใช่ไหมเราทำไมไม่คิดกันอย่างนี้ถ้าคิดกันอย่างนี้ตอนนี้เราก็เป็นทุกภิกษุณีกันได้อย่ามาอ้างว่าก่อนมาเป็นผู้หญิงเสียเปรือผู้ชายผู้ชายบวชได้ผู้หญิงบวชไม่ได้ นี่แสดงว่าไม่รู้ความหมายของความว่าบวชแปลว่าอะไรการบวชก็คือการรักษาศีลของนักบวชนั่นเองศีลมีสองระดับด้วยกันศีลของนักบุญกับศีลของนักบวชศีลของนักบุญคืออะไรก็คือศีลห้านี่นี่คือนักบุญพวกที่ยังทำบุญแต่ยังไม่อยากที่จะบวชกันก็รักษาศีลห้าไป รักษาศีลห้าก็ยังไปท่องเที่ยวได้กินข้าเวเย็นได้อย่างร่วมหลับนอนกับแฟนได้นี่คือศีลของนักบุญทำทานรักษาศีลตายไปก็ได้เป็นเทวดาแต่ถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นอยากจะเป็นทมอยากจะไปเป็นพระอริยบุคคลอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องถือศีลของนักบวชก็ต้องรา่มที่ ศีลแก็ได้เนีศีลแปที่แม่ชีอุบาสกอุบาสิการักษากันอยู่นี่ก็เป็นศีลของนักบวชนะพอที่จะสนับสนุนการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยศีลแปดแต่ถ้าอยากจะแข่งกันนั้นถ้าเป็นชายก็บวชถ้าเป็นหญ็กก็บวชเป็นสมมามเณรจะรักษาศีลสิ 10, เป็นชายก็บวชเป็นพระรักษาศีลสองิบเจ็ด เป็นผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษณุณีรักษาศีลสามร้อยก่อข้อไปศีลสามร้อยก่อข้อนี้ก็ยังมีเจาเล็กอยู่ในพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าลองไปเกิดดูในวินัยปีดอกดูจะมีศีลจะมีเล่าเหตุผลของการเกิดขึ้นของศีลข้อต่างๆให้เราเข้าออเข้าใจกันเราก็ศึกษาดูแล้วเราก็รักษาของเราไป เราไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามารับรองเราสมัยที่เราเริ่มปฏิบัติเราก็ไม่ได้ไปขอศีลจากพระไม่เคยไปวัดอ่าจากหนังสือเมื่อรู้ว่าต้องรักษาศีลอะไรเราก็รักษาของเราไปไม่เห็นจะต้องไปเข้าวัดไม่เห็นจะต้องให้พระมาให้ศีลให้ให้พร อ, อะไรเพราการให้ศีลให้พรของพระก็เป็นการสอนนั่นเอง เป็นการบอกให้เรารู้ว่าศีลที่เราควรจะรักษามีอะไรบ้างแต่ในสมัยนี้เราสามารถอ่านหนังสือกันได้ไม่เหมือนสมัยโบราณที่ไม่มีการไปโรงเรียนคนส่วนใหญ่จะเรียนอ่านจะอ่านออกเขียนไม่ได้กันจำเป็นจะต้องไปฟังเทศฟังธรรมจากพระจำเป็นจะต้องไปฟังคำสอนของพระ เพื่อที่จะได้รู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเวลาพระให้เพอให้ศีลศีลหศีลแปนี่เป็นตน้นคนที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีการศึกษาอ่านหนังสือไม่ได้ก็จะไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรบ้างก็ต้องไปสมาไปไปฟังจากพระแต่ถ้าเราอ่านได้เราอ่านหนังสืออ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยตรงเราทําไมต้องไปให้พระมาสอนเรา เราอ่านแล้วเราก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเลยไม่ดีกว่านะได้คำสอนที่ถูกต้องแม่นยำเพราะบางทีผู้ที่ไปอ่านมาไปศึกษามาอาจจะจำคลาดเคลื่อนกระด้เวลามาสั่งสอนเราอีกทอดหนึ่งก็อาจจะสอนไม่ถูกต้องก็ได้แต่ถ้าเราได้ศึกษาจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลย เราก็จะได้คำสอนที่ถูกต้องแม่นยำเราก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างได้ผลถ้าถ้าคาสอนไม่ถูกต้องผลก็จะไม่ถูกต้องเหตุไม่ถูกผลก็จะไม่ถูกคาสอนต้องเป็นคำสอนที่ถูกต้องแล้วก็จะทำให้เรามีมีหลักมีเกณฑ์ เวลาที่เราไปศึกษากับพระรูปอื่นเพราะเราอาจจะได้ยินได้ฟังคำาล่าหรือว่าเป็นพระวิเศษวิโสเราก็จะได้ไปฟังเทศฟังธรรมของท่านเราจะได้ดูว่าท่านสอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่ถ้าท่านสอนไม่เหมือนเราก็จะได้มีข้อเปรียบเทียบ ถ้าเราลองปฏิบัติดูตามที่ท่านสอนว่าจะได้ผลหรือไม่ถ้าไม่ได้ผลเราก็รู้ว่าเพราะท่านไม่ได้สอนตามที่ผู้เจ้าส่งสั่งสอนกั น, นอย่างวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยเรื่องชาวต่างประเทศรูปหนึ่งเป็นมาบวชเป็นพระแล้วก็ได้ไปศึกษาอยู่จาก พุทธศาสนาหลายสายด้วยกันสายพม่าก็ไปศึกษามาแล้วก็จาไม่ได้รู้สึกจะเป็นเซนนังสายเซนซึ่งเขาจะเน้นการเจริญวิปัสสนาเขาจะไม่เน้นเรื่องการเจริญสมถะภาวนาไม่สอนให้นั่งสมาธิสอนให้ใช้ปัญญาซึ่งเขาบอกว่าปฏิบัติไปแล้วมันไม่ได้ผล เพราะใจเขาไม่มีสมาธิพอเขามาศึกษาทางสายพระวัดป่าที่เน้นการจเจริญสมถาังก่อนที่จะเข้าสู่การเจริญวิปัสสนาเขาก็เลยเกิดศรัทธาเพราะมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพุทเจ้าทรงสอนเป็นขั้นขั้นขั้นทานแล้วก็ขั้นศีลขั้นศีลแล้วก็ขั้นสมาธิ อยากขั้นสมาธิถึงจะเข้าสู่ขั้นปัญญาเข้าสู่ขั้นวิปัสนาท่านไม่ให้ข้ามขั้นตอนท่านตัดสานไว้เลยว่าสมาธิที่ศีลอบรมได้ที่ศีลอบรมแล้วนี่จะมีอานิสงส์มีประโยชน์มากคือ ส, สมาธิที่ได้รับการอบรมด้วยศีลก็คือผู้ที่จะนั่งสมาธิให้ได้ผลนี้จะต้องมีศีลก่อนแล้ว ปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วก็จะมีอันที่ส่์มีประโยชน์มากก็หมายถึงว่าผู้ที่จะเจริญปัญญาให้มีเหตุมีผลได้ต้องมีสมาธิก่อนนั่นเองแล้วปัญญาที่จิตที่ได้รับการอบรมด้วยปัญญาก็จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวคือจิตที่ได้รับคำสอนขอจากปัญญาปัญญานี่ก็มีสามระดับด้วยกัน ส่วใหญ่เราจะไปหลงติดอยู่กับระดับที่สองก็คือจินตามยะปัญญาจินตามยะปัญญานี้ก็เป็นความคิดในทางปัญญาแต่ยังไม่เป็นปัญญาที่จะดับความทุกข์ได้ต้องเป็นภาวนามยภาัญญาจะแยกแยะง่าว่าเป็นจิตตากับเป็นภาวนาก็ถ้าเราคิดไปในทางปัญญาคือคิดถึงเรื่องต่ายลัก แต่ตอนที่ใจเราไม่มีความทุกข์คิดไปเราก็จะไม่เห็นประโยชน์จากการคิดเพราะว่าเราไม่มีความทุกข์เราคิดไปมันก็ไม่ได้ทำให้ใจเราหายทุกข์เพราะมันไม่มีทุกข์มันมันมันอยู่เฉยเฉยของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการซ้อมไปก่อนที่เราพิจารณาว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาตอนที่เราคิดอย่างนั้นเราก็รู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึก สุขหรือทุกข์แต่ถ้าเราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าคุณเป็นโรคมะเร็งเหลือสามเดือนเนี่ยคุณตอนนั้าใจของคุณเป็นยังไงสุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยถ้าทุกข์ทีนี้ถ้าคุณมาพิจารณาว่าเออร่างกายนี้มันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายปัญหามันไม่ได้มันเป็นอนัตตาถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทุกข์ แน่นอนตอนนี้กำลังทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมตายใช่ไหมหมอบอกแล้วว่าจะต้องตายไปในสามเดือนตอนนี้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยแต่พอเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ทําอย่างไรก็ห้ามไม่ให้มันตายไม่ได้อยากอย่างไรก็ห้ามมันไม่ได้อยากไปก็มีแต่จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอยอมรับความจริงหยุดความอยากไม่ตายได้ครับ ควาทุกข์ก็หายไปอย่างนั้นนะถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามยะปัญญาเป็นปัญญาที่แท้จริงผู้ที่จะปองได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่รู้จะไปปองไว้ที่ตรงไหนไม่รู้จะวางอย่างไรการฝึกสมาธินี่เป็นการฝึกปล่อยวางร่างกายนี่เเวลาเราทำใจให้สงบตอนนั้นใจจะไม่สนใจเรื่องร่างกาย เรื่องตาหูจมูกเน้นกายนี้จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับใจใจสงบใจจะปล่อยวางร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หรือจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามหรือได้ดมกลิ่นอะไรก็ตามใจก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะตอนั้นใจเข้าไปสู่ความสงบที่เรียกว่าอุเบกขาวางเฉยได้นั่นละคือที่ปง่งถ้ามีที่ปร่งแล้วพอ เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ดึงใจให้กลับเข้าไปที่ตรงอุบเบกขานั่นเองด้วยการใช้ปัญญาด้วยการพิจารณาอันนี้อางทุกขังอนัตตาพอใจเข้าใจนะว่าตอนนี้ทุกข์ไม่อยู่ในอุเบกขาก็เพราะว่ามีความอยากพอมีความอยากมันก็จะออกจากจุดของอุเบกขาไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะให้ความทุกข์ใจหายไป ก็ต้องย้อนกลับเข้ามาที่อุเบกขาวิธีที่จะกลับเข้าสู่อุเบกขาก็ต้องละความอยากนี่ปล่อยวางความอยากเพราะความอยากไม่เป็นคุณไม่มีประโยชน์กับใครเลยไม่มีคุณประโยชน์กับร่างกายไม่มีคุณประโยชน์กับใจอยากไม่ตายมันก็ตายอยู่ดีแต่อยากไม่ตายมันก็ทาให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่พอเรายอมรับความจริงว่าร่างกายจะต้องตาย แลเราหยุดความอยากไม่ตายได้ใจก็กลับเข้าสู่เบเกใจก็เย็นพอโปรงได้แล้วใจก็เย็นสบายไม่ทุกข์กับความตายต่อไปอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาภาวนาก็บอกแล้วว่าต้องมีสมถภาวนาก่อนจึงจะเป็นมยภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาที่จะดับความทุกข์ใจได้ ส่วนจินตามยปัญญาก็บอกนะจินตาก็มาจากจินตนาการคือสังขารความคิดปรุงแต่งของเราเราจินตนาการไปก่อนว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เราต้องพัดพากจากบุคคลจากสิ่งที่เราละไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นการซ้อมไว้ก่อนทาการบ้านไปก่อน เหมือนกับทหารที่เขาซ้อมรบกันเขายังไม่ได้ใช้กระสุนจริงกันแต่เขารู้ว่าวันต่อไปในอนาคตเขาจะต้องเจอกระสุนจริงแน่นอนถ้าเขาเตรียมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนพอเจอกระสุนจริงเขาจะได้รู้จักวิธีหลบวิธีสู้อันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่เราจะเข้าสู่ภาวนามายปัญญาไนดะ้เราก็ต้องอยู่ที่จินตามายปัญญาก่อนแต่เราอย่าไปหลงว่ามันเป็น ปัญญาที่แท้จริงหรือสุตตามายาปัญญานี้ก็เหมือนกันสุตตามยาปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เรายังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้นอกจากว่าตอนที่เราฟังธรรมเรามีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วพอท่านแสดงว่าให้พิจารณาว่าเรื่องนั้นว่าเป็นอนิจจังทุกขกันนะนักตา แล้วเราพิจารณาตามได้แล้วปล่อยวางเรื่องนั้นได้อันนั้นก็เป็นภาวนามาย์ปัญญาขึ้นมาได้เช่นทุกข์กับลูกทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาพอพิจารณาว่าเป็นตายรักษณ์แล้วก็ปล่อยวางเขาได้ปับก็หายทุกข์เลยไม่ทุกข์กับลูกอีกต่อไปไม่ทุกข์กับภรรยาหรือสามีอีกต่อไปอย่างนี้ก็เป็นปัญญาได้อย่างนี้เรียกว่าบรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมเลย คนบางคนมีความทุกข์ใจพอฟังธรรมแล้วหายทุกข์แสดงว่าเขาบรรลุธรรมได้ในขั้นนั้นในเรื่องนั้นนี่ก็คือเรื่องของปัญญาที่มีอยู่สามระดับด้วยกันแต่ปัญญาที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นภาวนามายัปัญญาและการที่จะมีภาวนามายัปัญญาได้ก็ต้องมีสมถภาวนาก่อนต้องมีสมาธิมีความสงบก่อน นั้นการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้จึงข้ามขั้นไม่ได้ตัดออกไปไม่ได้เหมือนกับกินยาเราเลือกกินยาชนิดนี้ยาชนิดนั้นเราไม่กินหมอให้มาห้าหกชนิดขอกินแค่ชนิดเดียวเขาคิดว่ายาที่สําคัญที่สุดยาอย่างอื่นไม่สําคัญแต่ไม่รู้ว่ายาต่างๆนั้นเขามีหน้าที่ต่างกันฉันได้ทําต่างๆที่พระเจ้าให้เราก็มีหน้าที่ต่างกัน การทำทางก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งการรักษาศีลก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งการเจริญสมาธิเจริญสติก็มีหน้าที่อย่างหนึ<ม>่งการพิจ า, ารณาไตรลักษณ์พิจารณาอริยสัจ ส, สีก็มีหน้าที่หน้าที่<ม>ต่างกันไปไม่เหมือนกันขาดไม่ได้ต้องมีทั้งให้ครบบริบุ์ให้ครบสู่เมื่อครบสูตรแล้วการุดทนจากความทุกข์อย่างถาวอนก็จะเป็นผลอย่างแน่นอน ถ้าไม่ครบสุดก็อาจจะดับความทุกข์ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเช่นถ้าใช้สมาธิก็ดับได้เวลาที่ใจเข้าไปในสมาธิใจสงบความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็หายไปแต่พออจากสมาธิมาพอมารับรู้เรื่องราวต่างๆก็กลับทุกข์ขึ้นมาใหม่เพราะไม่ได้ไปถอนรากถอนโคนของเรื่องราวเหล่านั้นแต่ปัญญานี้จะแก้ด้วยการถอนรากถอนโคนของ เรื่องที่ทำให้เราทุกข์รากโคนของเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความหลงความหลงทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราแก้ความหลงได้ความอยากก็จะหายไปความหลงก็คือก็คือไม่เห็นใตยรักษ์นี้ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงสอนให้เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอยู่ ทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีอยู่ตลอดเวลามีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรากลับมองไม่เห็นยังไม่เห็นอนิจจังเห็นเห็นอะไรก็เห็นเป็นนิจจังไปหมดเห็นอะไรก็เป็นสุขขังไปหมดเห็นอะไรก็เป็นอัตตาไปหมดเป็นของเราไปหมดแล้วพอมันไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราอยากจะให้มันเป็นนิจจังสุขังอัตตา แต่มันบอกไม่ใช่เราเป็นนั้นจังทุกของอังแลอนัตตาเราก็ไม่ยามเชื่อมันเห็นไหมเมืนกับเราเมืกัเราไปเจอคนนี้ก็บอกเขาชื่อสมชายโอไม่ใช่คนชื่อสมศักดิ์เขาบอกไม่ใช่ผมชื่อสมชายก็เสียงกันอยู่นั่นเนาะเราไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าของ ต, ต่างๆในโลกนี้เปนนออน็นนั้นนี่จังทุกขังอนัตตากันเราจึงต้องคอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆ แต่การที่เราจะพิจารณานิจังทุกข์ังอนัตตาได้นี้เราต้องมีสมาธิเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีสมาธินี้กิเลสมันมีแรงมากมันจะไม่ยอมไม่เราพิจารณามันจะให้เราพิจารณาแต่นิจังสุขขังอนัตตาแต่พอเราทำใจให้สงบนี้กิเลสถูกตัดกำลังลงไปเราก็สามารถสั่งให้ใจคิดไปในทางอนิจจังทุกขขังอนัตตาได้นี่แหละคือ คือสมาธิที่สนับสนุนปัญญาจะทำให้สามารถพิจารณาอนิจจังทุกข์งานาตาได้อย่างต่อเนื่องความที่ไม่ใช่เราไม่รู้นะอนิจจังทุกข์งอนาตาเราก็รู้กันแต่รู้น้อยรู้เป็นพักๆเป็นบางครัง้งบางเวลาไม่รู้อย่างต่อเนื่องถ้ารู้อย่างปัญญานี้ต้องรู้อยู่ตลอดเวลามองเห็นอะไรนี้ต้องเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกข์งอนาตาเลยถ้าเห็นแล้วมันจะไม่อยากได้ เห็นเงินก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปั๊บก็ไม่อยากได้งเห็นยศถาบรรดาศักดิ์ก็จะไม่อยากได้เห็นสรรเสริญก็ไม่อยากได้ใครอยากจะชมไม่ชมก็ไม่สนใจเขาชมได้เดี๋ยววานเมื่อวานเขาก็ไม่ชมก็ได้เวลาเขาไม่ชมเราจะรู้สึกอย่างไรเนี่ยเราต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาถึงจะเป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาที่ ละตันหาความอยากได้เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้นี่คือเรื่องของธรรมโอษฐที่พวกเราได้มารับไปรับประทานรับไปเพื่อรักษาโลกของความทุกข์ใจกันขอให้พวกเราเอาไปรักษากันอย่างจริงจังเถิดตอนนี้การรักษากันมาต้องเก้าปีแนละ้วโดยกระทั่งหมอก็เบื่อขี่หน้านะ้วมาที่นายก็มารับยา ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้โกนศีสาวให้เห็นเลยไม่ได้นุ่งขาวผมขาวให้เห็นบ้างอา่านั่นแหะคือคนที่หายทุกอะคนที่หายทุกเขาไม่รู้จะเกตผมไม่ทําอะไรก็ เ, เห็นว่าผมมันเป็นทุกเกดกะลําบากลําบนต้องคอยสะต้องคอยเช็ดต้องคอยหวีต้องคอยแต่งอยู่เรื่อยถ้าโกนหวัวตัดน้นทิ้งไปหัวก็สบายเวลาอาบน้ําก็สบายไม่ต้องมาเช็ด รับเดียวก็แห้งแล้วไม่ต้องใช้แชมพูแชมพูไม่ต้องใช้ยาอะไรรักษาลังคงลังแคร์ล้วตัด <c oughs> มันความทุกข์ทั้งนั้นแต่มองไม่เห็นกันเพราะไม่กินยานนนไม่กินยาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็คืออนิจจังทุกขังอนะัตตาร่างกายมีความแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ ก็ขอให้ท่านจงได้เอานำธรรมโอสถที่ท่านได้ยินได้ครั้งในวันนี้ไปพิพจารณาล่ากลา ป, ปฏิบัติเพื่อผลอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการจะแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะท้ า, ทาวเดวาหาปุราติุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิโตเมวะสมิจจตุสัพเพปุริยตุสังกะปาจันโทปนาละโสยทามณิโชติละโสยทาสสะพิติโยวิวัจจันตุสัพพารุโควินาสตุ มาเตผวะตวันตาลาโยสุขีทีคารุโกผวะอภิวาธนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารธรรมวัทานติอายุวโนโสุขังทาราตอนนี้ก็เป็นเวลาถามตอบปัญหา ใครมีความเข้มใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้เพียงแต่ขอให้มาพูดผ่านทางไมโครโฟนเพราะผู้ฟังที่อยู่ไกลจะได้ยินเสียงคําถามถ้าไม่ได้พูดผ่านทางไมโครโฟนผู้ฟังก็จะไม่รู้ว่าถามอะไรได้ยินแต่คตําตอบกราบถามนะครับอ่า ถ si ้าคนที่ปฏิบัต ok ิแบบสติอย่างเดียวเนี่ยสามารถบรรลได้ถึงขั้นไหนครับก็ถ้าสติอย่างเดียวก็จะได้ขั้นสมาธิถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องเวลานั่งนั่งหลับตาจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ก็จะได้แค่เพียงขั้นสมาธิถ้าอยากจะได้ปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรัก เป็นอนิจจังทุกขังอนัตาพเพื่อจะได้ละความอยากในสิ่งต่างๆได้เคยอ่านหนังสือมีคนเขาเขาแบบนั่งสติยอยู่กับตัวเองตลอดนะฮะคือเืมตามอะไรก็ตามแต่แล้วก็แตผ่ผมก็เลยสงสัยว่าตอนที่อ่านเนี้คล้ายๆว่าสำเร็จแต่ผมก็สงสยัยว่าสำเร็จได้หรือเปล่าครับคือกาอาจจะ หลังจากได้ได้สมาธิเขาอาจจะพิจารณาทางปัญญาเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มามาพูดมาบอกมาเล่าให้เราฟังคือก่อนที่เราจะมีสมาธิมีปัญญาได้เราต้องมีสติก่อนเหมือนก่อนที่เราจะอ่านออกเขียนได้เราต้องท่องกอไก่เขาไข่ให้ได้ก่อนแต่การท่องกอไก่เขาไข่เป็นอย่างเดียวนี่มันยังไม่ทําให้เราอ่านออกเขียนได้ เราต้องรู้จักการสะกดรู้จักกฎไวยากรณ์ต่างๆถึงจะอ่านออกเขียนได้และเข้าใจความหมายได้ต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันบางทีเขาพูดย่อๆว่าอ่า ส, ะสติไปแล้วก็จะได้ทุกอย่างอันนี้ก็ถูกเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดคือมีสติแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเป็นฌานได้พอออกจากสมาธิจากฌานมา ถ้าต้องการที่จะก้าวไปเกินสมาธิก็ต้องพิจารณาทางปัญญาพิจารณาอริยาาสัจสีพิจารณาตาลักให้เห็นเพื่อที่เราจะได้ตัดความอยากได้พอตัดความอยากได้ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้จนถึงขั้นสูงสุดได้ พระพุทธเจ้าท่านสอนใจศีขาก็คือศีลสมาธิและปัญญาสมาธิก็คือสตินี่สมาธิก็คือผลที่เกิดจากการเจริญสติถ้าเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องใจก็จะว่างใจจะใจจะสงบใจจะตั้งอยู่ในปัจจุบันเป็นอุเบกขาอย่างนี้เรียกว่าสมาธิแต่สมาธินี้จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวร เวลาออกจากสมาธิมาพอมารับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาหยุดความอยากเพราะปัญญาจะไปแก้ความหลงที่เป็นต้นเหตุของความอยากที่เราอยากเพาเราคิดว่ามันดีมันให้ความสุขกับเราแต่พอเรา เห็นความจริง <mister> ว <ius> <gie> ่ามันไม่ดีมันให้ความทุกข์กับเราเราก็จะไม่อยากได้เหมือนกับเราเห็นงูแต่เราไปคิดว่าเป็นปลาไหลเราก็ไปจับมันพอไปจับมันก็ถูกมันกัดแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นงูมันไม่ใช่ปลาไหลเราก็จะไม่ไปกล้าจับมันตอนนี้เราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปจับนี่มันเป็นงูมันไม่ใช่เป็นปลาไหลกันแล้วเราต้อง สอนใจว่าอย่าไปจับอย่าไปแตะต้องทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นงูมันไม่ใช่เป็นปลาไหลเป็นงูเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมีเจริญแล้ต้องมีเสื่อมเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้พอเราไปอยากให้มันเที่ยงเราก็จะทุกข์ทันทีพอเราอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการมันไม่เป็นเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที อันนี้พอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้อะไรแล้วเราก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรดีกว่าความสงบที่เรามีอยู่แล้วในตัวเราแล้วเราได้จากสมาธิแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่มีปัญญา็ อ, อจากสมาธิมาก็เลยความสุขที่ได้จากสมาธิก็ไปหลงอยากได้ความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายแทนก็ต้องสอนใจว่าอย่าไปหาความสุขเหล่านั้นเพราะมันเป็นความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง เพราะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับสั่งมันไม่ได้พอ ร, รู้อย่างนี้เราก็หยุดหาหยุดแสวงหาความสุขภายนอกเราก็กลับเข้าหาความสุขภายในคือความสงบเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติ ถ, ถ้าถ้าสมบบทพระเนี่ยนะครับแล้วถือศีลสองรอยยี่สบเจ็ดข้ออย่างเดียวนะฮะมีโอกาสบรรลุนิพพานไหครับโดยไม่มปฏิบัติ ไม่หรอกถ้ารักษาศีลได้อย่างเดียวก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ได้อย่างมากก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือได้เป็นเทพถ้าใจบุญสูงทานถึงแม้จะ2 2 1ข้อก็ตามแน่เนี่แสนข้อมัน ก, มนก็มันก็อยู่ในระดับศีลแล้ว น, นั่นเองแล้วศีลทั้งหมดนี้ที่สำคัญก็เพียงสี่ข้อท่านําหจำบพระก็คือประราชิกศก็เหมือนศีลห้าของคารวะนี่ ก็รักษาความเป็นมนุษย์ไว้เท่านั้นเ อ, องแสดงว่าการนิพพานมีช่องทางเดียวคือสมาธิภาวนาใช่ต้องวินัตนาภาวนาต้องมีปัตนาต้องสมถะต้องเจริญสติต้องมีศีลเพราะศีลจะช่วยให้ทําให้เราสามารถนั่งสมาธิได้สมาธิก็จะสามารถช่วยให้เราเจริญปัญญาได้พอเราเจริญปัญญาได้เราก็ทําให้จิตหลุดท้นจากความทุกข์ได้ เป็นเครื่องมันเป็นบันไดเหมือนกับการเรียนหนังสือการที่เราจะจบปริญญาได้เราก็ต้องเข้าชั้นอนุบาลก่อนชั้นประถมชั้นมัธยมแล้วถึงจะเข้าสู่ชั้นอุดมศึกษาตามลำดับไปเวลาทั่งสมาธินานๆนะครับแล้วพอถึงจังหวะนี้จะปวดขามากแนละ้กวกลวจะข้ามไป ให้ผ่านหรือ ว, ว่าถอยกลับมาดีครับถ้าเราอยากจะนั่งต่อเราก็ต้องผ่านไปให้ได้เราจะได้นั่งนั่งได้นาน<ม>เพราะการมีสมาธินานๆ น, น, า น, นี้จะทำให้เรามีพลังเยอะพลังต่อต้านควกิเลส ต, ตัณหาได้ถ้าเราไม่มีเรานั่งไม่นานเราก็จะมีพลังน้อยพอมาเจอความเจ็บปั๊บเนี่ยตัณหาก็จะออกมาที ความอยากจะหนีจากความเจ็บไปเราก็ต้องใช้อุบายสองมีสองอุบายด้วยกันอุบายแรกเรียกว่าอุบายของสมาธิหรือสติก็คือถ้าเราบริกรรมพุโทโธก็ให้บริกรรมให้ถี่ไปเลยอย่าให้ใจมีช่องไปคิดถึงความเจ็บอย่าไปนึกถึงความเจ็บเลยให้เกาะติดอยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวพอใจไม่ไปคิดถึงความเจ็บก็จะไม่เกิดความอยากพอไม่เกิดความอยากใจก็จะสงบลง พอสงบก็ความเจ็บก็จะไม่ทรมานก็จะอยู่กับมันได้อันนี้เรียกว่าอุบายของสมาธิอุบายของสติถ้าจะใช้อุบายของปัญญาก็ต้องพิจารณาว่าความเจ็บที่มันเจ็บที่ร่างกายมันไม่ได้เจ็บที่ใจใจเป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยๆใจไม่ต้องไปเจ็บกับความเจ็บของร่างกายร่างกายก็ไม่เดือดร้อนกระดูกก็ไม่เดือดร้อนเนื้อก็ไม่เดือดร้อน กระดกหมู ก, กระดูกไกเวลาเราต้มมันในหมอ้อกันอหม้อไฟเดือดมันยังไม่เดือดร้อนเลยแล้วกระดูกข้าวกระดับขาเรามันก็จะไปเดือดร้อนตรงไหนมันไม่เดือดร้อนค่ะมันเจ็บอย่างไรมันก็ไม่เดือดร้อนผู้เดือดร้อนก็คือใจที่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเพียงแต่ไปรับรู้แล้วไม่ชอบมันเท่านั้นเองพอไม่ชอบก็เกิดความอยากให้มันหายไปความอยากนี่แหละที่ทําให้เกิดความทรมานใจที่ทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกาย แตความทรมานใจที่เกิดจากความอยากแต่พอพิจารณาว่าความเจ็บมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเราเราไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของร่างกายร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็ปล่อยให้มันเจ็บของมันไปเราเป็นผู้รู้ก็รู้มันไปท่านเองอย่าไปอยากให้มันหายแล้วความทรมานใจก็จะดับไปพอดับไปแล้วก็สบายใจใจเป็นอุเบกขาความเจ็บจริงๆแล้วมันนิดเดียว ที่เจ็บส่วนใหญ่มันเจ็บที่ใจอันนี้ก็คือวิธีแก้ถ้าแก้ด้วยปัญญาแล้วต่อไปมันจะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไปต่อไปร่างกายปวดศีรษะปวดท้องไม่ต้องหายากินี่ยใช้ธรรมโอสถดีกว่าสบายกว่าปล่อยมันเจ็บไปมันจจะเ็บมันีเหตุทําให้มันเจ็บมันก็ต้องเจ็บเดี๋ยวเหตุนั้นมันหมดไปมันก็หายเองเราอย่าไปเจ็บประมันเท่านั้นนะปัญหาจะไม่มีทําไม ทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามทานเลยนะครับแล้วนั้นมีสิทธิ์ห้ามข้ารับคือเป็นพระเป็นเหมือนขอทานี่ยจะไปบอกคนให้ว่าฉันไม่กินแบบนั้นกินอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมขอทานนี่เขาบอกหรือเปล่าแล้วขอแบงค์พันอย่างเดียวแบงค์แบงค์งยี่สิบไม่เอาบอกไม่ได้หรอกใช่ไหมเขาจะให้อะไรก็เอาท่านสอในให้พระอยู่แบบเรีย ง, ง่ายอยู่ง่ายกินง่ายเลยน ง, ง่ายไม่ไปรบกวนผู้อื่นมากจนเกินไปแล้วก็ ให้เป็นปลายตาศรัทธาของผู้ให้ผู้ให้อยากจะให้อะไรก็ให้มาส่วนพาดจะกินไม่กินนี่ภาคพิสิทธิ์ที่จะเลือกทีหลังถ้าจะกินกินเจก็เข้าวเดือดเจเขี่ยนะร <c oughs> จากเจเขียนะ่ยไหมอะไรที่เป็นเนื้อก็เขี่ยมันออกไปกินแต่ผักกินแต่ข้าวก็ได้ถ้าจะกินอะไรมันก็ถ่ายออกมาเป็นขี้เหมือนกัน <c oughs> แล้วมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันเน่ก็คือรักษาร่างกายให้อยู่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่หิวไม่ทรมานแค่นั้นมันหน้าที่ของอาหารก็มีเท่นั้นคนที่กินเนื้อสัตว์กับไม่กินเนื้อสัตว์นี้ไม่ได้ทำบาปไม่มีไม่มีการทำบาปจากการกินบาปเกิดจากการฆ่าถ้าเราฆ่าแล้วฆ่าถึงไม้จะกินไม่กินมันก็บาปแล้วคนกินเจแต่ไปฆ่าสัตว์อย่างนี้มันก็บาปแต่คนที่ไม่กินเจแต่ไม่ได้ฆ่าไม่บาปดันั้นเราต้องให้รู้ประเด็น ประเด็นสำคัญอยู่ที่การกระทาไม่ใช่อยู่ที่การกินกินอะไรปัญหาต่อมาครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณลุ่งนะครับ ขอโอกาสถามปัญหาทางโลกโยงสู่ทางธรรมหากเรารู้เห็นว่ามีการคอรรัปชันแล้วเราล้องเรียนให้มีการตรวจสอบจนกระทั่งผู้กระทำความผิดได้รับโทษทางอาญาหรือวินยัยเราจะเป็นบาปไหมเราสมควรทำหรือไม่หรือรอให้เขาได้รับผลกรรมของเขาเองถ้าสิ่งที่เราพูดเป็นความจริงก็ไม่บาป ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงไปปรับความเขาโดยที่ไม่มีหลักฐานอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อโกหกหลอกลวงได้เป็นอันนี้ก็บาปได้ทําให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเพราะคำพูดที่ไม่ตรงกับความจริงของเราถ้าเป็นคำพูดที่ตรงกับความจริงก็ไม่บาปแต่ก็อาจจะมีผลกระทบกับเราได้คนที่เขาถูกเราไปฟ้องเขาอาจจะอาฆาตพยาบาทเราได้ อาจจะจองเวรจองกรรมเราได้นั้นเราก็ต้องชั่งน้ำหนักดู ว, ว่าผลที่เราได้รับจะคุ้มค่าไหมถ้าไม่คุ้มก็หุบ ป, ปากเสียอยู่เฉยๆทำใจให้เป็นโอเบกขาโปงเสียว่าเป็นกรรมของศาสต์ไปใครทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นไปเรื่องก็จบคำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับ เพิ่งเริ่มเข้าวัดและศึกษาธรรมะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามากขึ้นเนื่องจากมีทุกข์เรื่องสามีมีหลักเมื่อก่อนเราแรงจพูดจาตรงๆไม่รักษาน้ําใจจนเขารับไม่ได้ไม่สนใจและมีผู้หญิงอื่นจึงได้เริ่มเข้าวัดเพื่อต้องการมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและขัดเกลารจิตใจที่ผ่านมาได้ลดความแรงลงแล้วพยายามทําดี แต่เขาบอกว่าไม่รักเราแล้วและยังคงรู้สึกแย่ๆกับเราไม่ดูแลเราแต่ผู้หญิงอื่นดูแลโดยที่เราไม่เคยรู้แต่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูกเราไม่ได้วีนอะไรเมื่อรู้และก็ยังคงทำทานรักษาศีลแต่การภาวนานั้นยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งจากกราบรบกวนพระอาจารย์แนะนำวิธีดูทุกข์และพิจารณาทุกข์ อย่าเอาความทุกข์มาใส่ใจแต่ให้เห็นมันเข้าใจนะคะแต่ไม่ทราบวิธีต้องทำอย่างไรทุกข์มากไม่ให้ทุกข์แต่เห็นทุกข์กให้ดูว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากบุคคลนั้นบุคคล น, นี้และเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เกิดจากความอยาก ของเราให้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เห Moreover, ตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นดังใจอยากเราก็ทุกข์ใจเช่นอยากให้สามีรักเราเหมือนตอนที่เราเพิ่งคบกันใหม่ๆรู้จักกันใหม่ๆแต่อันนั้นมันเป็นอดีต TS ไปแล้ว ม, มันผ่านไปแล้วปัจจุบันนี้เขาไม่ได้รักเราเหมือนอย่างที่เขาเคยรักเราถ้าเราอยากให้เขารักเราเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจเพราะเรามองไม่เห็นปัจจุบัน เรามองไม่เห็นความจริงในขณะนี้ว่าตอนนี้เขาไม่รักเราแล้วถ้าเราเห็นแล้วเรายอมรับว่าไม่รักก็ไม่รักสิก็จบไม่นั็นเป็นอะไรใจก็หาใหม่ได้เตอหาใ <c oughs> ห, หม่ก็ต้องอย่ากันก่อนนะจะได้ไม่จะได้ไม่ผิดสิน ข, <c oughs> ข้อ3อสาม นี่คือทุกข์ขอให้รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดที่ความอยากของเราอยากจะไปเปลี่ยนเขาซึ่งเราเปลี่ยนเขาไม่ได้พระเจ้าบอกสิ่งต่างๆเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่ไปสั่งไปเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่เราต้องการได้เสมอไปบางครั้งก็เปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนได้ก็รอดไปไม่ทุกข์ถ้าไปเปลี่ยนไม่ได้ก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปเปลี่ยน ปล่ยเขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขายอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเราก็อย่าไปให้เขากลับไปเหมือนเดิมมันก็จบถ้าอยู่กันได้ก็อยู่กันต่อไปถ้าอยู่กันไม่ได้ก็หย่า ก, กันไปเลิกทางกันไปตอนนั้นเองมันก็จะหายทุกข์คําถามข้อต่อไปจากคุณกิติวุฒินะครับทํายังไงให้หมดความกลัว ความตัวก็คือความอยากอยู่นั่นเองก็ต้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆสอนว่าร่างกายนี้สักวันหนึ่งก็ต้องตายไปและร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราเราเป็นเพียงผู้มาครอบคองอาศัยอยู่ชั่วคราวเป็นเหมือนบ้านบ้านที่เรา อ, อาศัยอยู่ต่อไปมันก็ต้องเก่าเก่ามันก็ต้องชํารุดมันก็ต้องพังไปพอมันพังไปแล้วก็ย้ายบ้านใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่เราไม่ได้ตายไปกับบ้านไม่ได้พังไปกับบ้าน เราก็เรากับร่างกายก็เหมือนกันเราเป็นคนะส่วนกันร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟอาการสาสองใจนี่เป็นผู้รู้รู้สึกนึกคิดผู้รู้สึกนึกคิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายสอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแยกแยกใจออกจากกายอย่เรื่อยๆต่อไปก็จะหายกลัวคำถามข้อต่อไปนะครับจิตที่เป็นสมาธิและมีเมตตา คือเป็นจิต ท, ที่ต้องการจะให้เพียงอย่างเดียวทุกครั้งที่สร้างบุญสร้างกุศลมีความจำเป็นต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลอีกหรือไม่และผู้รอรับจะได้รับหรือไม่คือการแผ่เมตากับการอุทิศส่วนบุญนี้เป็นสองเรื่องต้องแยกกันไว้ก่อนการแผ่เมตาก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อือันนี้ต้องแผ่ตอนที่เราเจอผู้เวลาอยู่คนเดียวจะไปไปแผ่ให้ใคร จะมาเจอยิ้มให้กับใครใเวลาเจอคนอื่นเนาะถึงต้องยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายสวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาอานนี้ต้องแผ่ตอนที่เรามีเหตุการณ์เวลาที่เราโกรธใครเขาทำให้เราเสีย อ, อกเสียใจแล้วอยากจะฆ่าเขาอย่างนี้เราก็ต้องแผ่เมตตาก็คือให้อภัยไม่ถือโทษก่นเครืองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตา แต่เราต้องซ้อมไว้ก่อนเวลาเราว่พาพระสวนมนตนั่งสมาธิเสดจใจเราเป็นใจที่สงบเย็นสบายมีเหตุมีผลตอนนั้นเราก็ซ้อมให้อภัยซ้อมไม่จองเวรซ้อมทักทา่ายปลาใสอ่าเรียกว่าเป็นการทําการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนพอเวลาเราไปอยู่ในเหตุการณ์จริงเราจะได้ทําได้มี่เรียกว่าแผ่เมตตาส่วนอุทิศบุญนี่ก็คือ แบ่งบุญที่เรามีอยู่นี่ให้กับผู้ที่ร่งรับไปแล้วแต่ผู้ที่ร่งรับไปแล้วนี่จะรับได้แต่บุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เกิดจากการภาวน <conservatives> า, กก า, านี่เขารับไม่ได้เพราะมันเกินฐานะของเขาเขารับได้แต่บุญที่เกิดจากการให้ทานเั้นถ้าเรามีผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเขาขาดแคลนอะไรต้องการอะไรเราก็ทำบุญอุทิศไปให้เขาเพราะก็อยู่ในฐานะของขาทานทางจิตวิญญาณ ขณะที่มีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ทําบุญเพราะว่าอาจจะไม่เชื่อบุญหรือ ว, ว่าเพราะว่ามีความตันอิเสียดายห่วงเงินหวงทองก็เลยไม่ได้ทําแล้วก็ไปทําบาปพอตายไปก็เลยต้องไปเป็นเปรตเปรตก็เหมือนกับขอทานไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวไปก็ต้องมาขอให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ช่วยส่งบุญไปให้ ก็ต้องให้ผู้มีชีวิตยอยู่ใส่บาตรหรือทำบุญแบบไหนก็ได้ให้กับใครก็ได้แล้วก็ให้อุทิศบุญที่ทําในวันนั้นไปให้แก่ผู้ที่รงลับไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าเป็นการอุทิศบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่รงลับไปแล้วอ๋อแสดงว่าการอุทิศเนี่ยก็ต้องทําทุกครั้งหลังจากที่สร้างบุญสร้างกุศลแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าเรามีคนจะรับหรือไม่ถ้าเราไม่มีคนรับเราก็ไม่ต้อง อุทิศแต่ถ้าเราไม่รู้จักใครเราอยากจะให้สรรพสัตว์เราก็อุทิศได้เพราะว่ามีผู้ที่ตายไปแล้วไม่มีญาติที่จะมาทําบุญอุทิศให้อย่างห้องต า, ท, าท่านทุกปีวันที่30มสิบพฤษภาท่านจะทําจัดงานทําบุญเปิดโลกทาตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่ไม่ที่ไม่มีย่าที่จะส่งบุญไปให้ก็ให้เราทําเผื่อเข้าไปด้วย ในเวลาเรา อ, อุทิศนี้เราสามารถที่จะกําหนดบุคคลที่จะรับได้ตามลําดับเหมือนกับเราเขียนพินัยกรรมอย่างนี้บุคคลแรกคือนายกคนที่สองคือนายขอว่ากันไปจนถึงศัพท์ศัพท์ที่เราไม่รู้จักเจ้ากรรมนายเวนที่เคยเป็นคู่คู่เวนคู่กรรมกันมาก็ให้เขาไปเผื่อพบหน้าชาหน้าเจอกันจะได้ไม่กดก้นกดเคื่อนกันอันนี้ก็ทําได้ ในลักษณะเช่นนี้หากเหมารวมว่าเป็นญาติพี่น้องทั้งหมดให้มารับอุทิต ส, ส่วนบุญนี้ได้ไหมครับอาจารย์ได้ความจริงก็พวกเราก็เป็นญาติพี่น้องกันนะก็ เ, ะเกิดกันมาอาจจะมาเกิดในบ้านเดียวกันพ่อแม่เดียวกันพราะเราเกิดกันมาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งนะโอกาสที่เราจะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวดอมกันนี่มันมีมากเพียงแต่เราจําไม่ได้แค่นั้นเอง ดังน้เราขอให้คิดว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เป็น เ, นเพื่อนเกิเกดแก่เจ็บตายเหมือนพี่เหมือนน้องกันเวลาเราทําบุญเราก็อุทิศไปให้กับใครก็ได้ใครผ่านมาก่อนใครอยู่ใกล้ก็เอาไปเลยใครเดือดร้อนใครต้องการก็เอาไปหรือว่าถ้าเราต้องการเจาะจงนึกถึงบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ก็ได้แต่ก็ไม่ไน้หมายความว่าเขาจะรอรับอยู่เสมอไปเขาอาจจะเป็นเศรษฐีบุญก็ mm hmm. ได้ทําบุญเยอะในขณะที่มีชีวิตอยู่ เขาตายไปเขาก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นเศรษฐีบุญหรือว่าถ้าเขาไม่ทําบาป ก, ก็กลับไปเกิดเป็นมนุษย์เขาไม่ต้องมาเป็นปีติเพาะนั้นทํา่ำก็ทําเผื่อไว้ก็แล้วกันหรือกในกรณีที่ที่จะทําทจริงๆก็คือเวลานอนหลับแล้วเขามาเข้าฝันอย่างงี้มาฝันว่าขอสิ่งนู้นสิ่งนี้ตอนนี้ตกทุกข์ยากลำบากเหลือเกินอย่างนั้นก็เราก็ทําอุทิศไปให้เขา ท่านอาจาร์คะในกรณีที่เราไปเยี่ยมผู้ที่ป่วยแล้วสมองตายแล้วเนื่องจากเส้นเส้นเราหิตแตกนะคะเขาก็จะไม่สามารถโต้อตอบเราได้เราไปบอกให้เขาเนี่ยนึกถึงบุญให้เขาภาวนาแต่มันไม่มีการโต้อตอบไม่ทราบว่าจิตเขาออกจากร่างไปหรือยังคะในกรณีอย่างเนี้ยคะ่ะยังเรอกถ้าร่างกายยังไม่ตายนี่จิตก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าร่างกายนี้ ไม่สามารถส่งข้อมูลไปให้ใจที่ ท, ที่ใช้ร่างกายเป็นสื่อได้เหมือนกับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็เสียเกิดเครื่องเสียเราไม่สามารถโทรติดต่อให้กับเขารับให้เขารับสายได้เพราะเครื่องเขาเสียแต่คนรับไม่เสียจิตไม่ไม่ได้เสียจิตยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่ร่างกายเป็นปกติเพียงแต่ว่าร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารมันเสีย เมือโทรศัพท์มือถือของเขาเสียเราโทรไปหาเขาก็เขาก็จะรับ<ข>สายไม่ได้เพราะเครื่องเขาไม่มีสัญญาณไม่ได้รับสัญญาณจากเครื่องของเราเท่ากับเขาก็ไม่รับรู้ในสิ่งที่เราพูดใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ไม่รับรู้เลยทั้งหมดเพราะเพราะว่าร่างกายเขาไม่สามารถทําหน้าที่นั้นได้ไม่สามารถรับรู้เสียงกีดรดผดทะพัใกญญญให้ไปสู่จักรวิญญาณให้ไปสู่จิตได้ทีหนึ่ง แต่จิตก็ยังอยู่เพราะว่ามันยังไม่ขาดจากกันจะขาดก็ต่อเมื่อร่างกายหมดลมหายใจจิตถึงจะปล่อยร่างนั้นไปแล้วทางไหนเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะทําให้เขาได้ครับอาจารย์ก็ทําตอนนี้ก็มีสติอย่างเราอย่างที่จะเป็นอยู่ตอนนี้ชวน้ามาชวนก็มาวัดมาทําบุญมาทำาาเทศทำธรรมไปทําตอนนี้ก็ทําไม่ได้ได้แล้ว ต, ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็ไม่ยอมมาอีก ต, ตอนที่เขาสุขเขาสบายเขาก็อยากจะไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มมากกว่าที่จะมานั่งหลังโขดหลังแข็งมานั่งฟังสิ่งที่เขาไม่เข้าอกเข้าใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญกรรมไปคืออาจจะไม่เคยทำบุญมาก่อนก็เลยไม่ค่อยเห็นความสาคัญของบุญไม่ชอบทำบุญ แต่คนที่เคยทําบุญมาในอดีตนี่จะติดมาเป็นนิสัยแล้วก็จะชอบทําบุญเฉะนั้นถ้าเรายัางไม่มีนิสัยในการทําบุญชาตินี้เราก็พยายามสร้างนิสัยนี้ขึ้นมาพยายามทําบุญบ่อยๆไม่อยากทําก็บังคับมันให้ทํบาบังคับไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นนิสัยขึ้นมาเองพอเป็นนิสัยแล้วพอไม่ได้ทําจะรู้สึกขาดอะไรใครไหมครับ เรื่องราวเหล่านี้มันสิ่งที่เราทําได้ก็ชัก ช, ชวนชี้แจงให้ข้อมูลต่างๆแต่เขาจะรับไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้นะั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาเราทําได้เพียงเท่านี้ดังนั้นเราอย่าไปทุกข์อะไรกับเขามากไปก่อนนี้ถ้าเราทําหน้าที่ของเราแล้วเขาเขาไม่ทําหน้าที่ของเขาก็ช่วยไม่ได้ พระอาจารย์ครับเคยเคยเห็นอยู่หลายครั้งครับที่บางคนเนี่ยใกล้าตายหรือเป็นพระพิสุสง์ใกล้มรณะเนี่ยบางคนจะกล่าวว่าขอแบ่งชีวิตที่เหลือของตัวเองให้อย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แบ่งยังไงแบ่งชีวิตเหมือนกับอ่าเหมือนกับอธิษฐานแบบแบ่งชีวิตส่วนบางส่วนของเราเนี่ยให้เพื่อต่ออายุของคนที่ได้ก็บริจาคอาวียวะไป ใครต้องการตาก็ไปใครต้องการตับก็ไป <c oughs> อย่างนี้นก็ต่อชีวิตของเขาได้ขอคำถามครับอ่าข อ, อวิธีการฮะที่จะจะคิดถึงความตายตลอดเวลาคิดยังไงฮะก็นึกอยู่<อ>เรื่อยๆท่อง ต, ตอนตนก็ท่องไปก่อนไม่ได้ว่าเราเกิดมาแล้วมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายเป็นไ่ได้ท่องไปอย่างนี้ย ต้องไปก่อนอออไม่ต้อ ง, องดูคนตายก็ได้นนไม่ต้องดูหรอกให้จําไม่ให้ได้ก่อนว่าเราต้องตายเอท่องไปเรื่อยๆตื่นขึ้นมาพอ่ึงตาก็บ่าในวันนี้เราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้ความตายมันอยู่แค่ปลายลมปลายจมูกเองหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้ออคิดอยู่อย่างนี้คิดถึงเรื่องของความตายว่าเรามีโอกาสที่จะตายได้ทุกขณะทุกเวลาอื ข้สมวิธีการเพ่งอสุภะนี่ทำยังไงนะครับอสุภะก็หมายถึงให้เรานึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเพื่อที่จะได้ทําลายกามารมณ์เช่นตอนนี้ก็มีประกวดนางงามนี่เราก็ดูเพ่งเข้าไปในใต้ผิวหนังเขา <c oughs> ดูโครงกระดูกเขาบ้างดูตับไตไส้ตูมดูปอดดูหัวใจเขาบ้างอย่าดูแต่หนังของเขาอย่าดูแต่รูปร่างหน้าตาของเขา นี่ก็คือดูอสุภะเพราะดูอสุภพแล้วมันก็จะตรงได้มันจะไม่เกิดความอยากจะได้เขามาเป็นแฟนอันนี้คนควจะจ้องดูนางงามใครจะเป็นใครจะมาจองเป็นเจ้าของกันนะครับเพราะเขาไม่ได้ดูอสุภพกันถ้าเ็าเห็นอสุภพแล้วเขาก็จะไม่จองให้เสียเงินเสียเสียทองเสียเวลารับลึก แล้วพิจารณาใดลักนี่ทํายังไงให้แบบง่ายๆก็แบบเดียวกันพิจารณาว่าไม่เที่ยงคาว่าไม่เที่ยงก็คือทุกอย่างมีเกิดแล้วมีดับไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นต้องคิดถึงตอนเด็กแล้วก็โตแล้วก็แก่แล้วก็เป็นกระดูกอะไรเลยไหมฮะก็ได้แล้วแต่เราจะคิดได้เั้านั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีตลอดเวลาซื้อรถมาวันนี้เดี๋ยวสองปีมันก็เก่าแล้วอันนี้ก็เป็นอนิจจังให้คิดอย่างนี้บ่อยๆยนีกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าทุกอย่างเมื่อมีมีเจริญแล้วมันต้องมีเสื่อม ใ ห, ให้พิจารณาส่วนที่เสื่อมให้มากส่วนที่เปลี่ยนไปอย่างที่ผูญหญิงเมื่อกี้บ่นว่าสามีเคยรักเดีย๋ยวนี้ไม่รักแล้วก็เพราะเขาไม่พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยง <ừ> เขาไม่รักเราไปตลอดแต่เวลาเราเจอใครนี่เราจะคิดว่าเขารักเราไปตลอดอยากจะได้เขามาเป็นคู่ครอง <ừ> แต่พอได้มาแล้วก็ถึงจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นอ น, นิจจังมันไม่เที่ยงเพราะเขาไม่รักเราไปตลอดผมเคยเห็นเขาเกิดนิมิตแบบ เรื่องที่เขเขียนนะครว่าเกิดมิตรแบบแบบเห็นร่างกายเป็นปุพังสลายไปมันจะเกิดตอนไหนยังไงแบบนี้อันนั้นก็เกิดจากที่เวลานั่งสมาธิส่วนหนึ่งหรืเวลานอนหลับนับฝันไปก็เกิดขึ้นได้แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราพิจารณามันก่อนเราดูมาก่อนแล้วมันฝังอยู่ในใจแล้วพอใจเราสงบมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นได้มีคําถามอีกไหม ต่อไปเป็นคำถามทันสถานการณ์ครับอาจารยา์ผู้ที่เล่นการพนันบอลโลกเนี่ครับกรรมที่นอกจากเสียเงินแล้วมีกรรมอะไรอีกครับอาจารย์ก็คือไปทําให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนเนี่ยคนที่เสียการพนันก็ต้องเสียเงินเสียทองเก็อาจจะไปกู้หนี้ยืมสินมามาเล่นการพนัน้เราก็เราได้ความสุขบนกอมทุกข์ของผู้อื่นเช่นเดียวกับเวลาเราเสีย เขาก็ได้ความสุขจากกองทุกข์ของเรางั้นการได้ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไมิชอบเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการทำบาป ท, ทำกรรมต่อผู้อื่นเราก็ไม่ควรที่จะทำควรจะหาธรามา ก, กินด้วยอาชีพที่สุดจริญที่ไม่มีใครเดือดร้อนจากการจากการได้รายได้ของเราอันนี้ถึงจะเป็นส ม, มาธิ การเล่นการพนันนี่เรียกว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นอาบายยมุกก็เล่นแล้วมันก็จะติดเวลาได้ก็จะใช้เงินแบบเสื่อรุ่ยเสื่อไล่และเวลาเสียก็จะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินหรือไปรักขไปรักขโมยไปช่อโกงเพื่อที่จะได้มีเงินมาเล่นต่อก็จะนําไปสู่การทําบาปและอาจจะต้องเสียชีวิตได้จากการเป็นหนี้เขาแล้วไม่มีปัญญา จ, จ่าย ผู้ที่ดีที่พลต้องการจะทวงนี้เขาก็อาจจะต้องฆ่าเราเพื่อเป็นทำเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นที่กู้หนี้ยืมเสร็จจากเขาจะได้กลัวไม่กล้าที่จะบี้อันนี้ก็คือผลต่างๆที่จะตามมาที่เกิดจากการเล่นการพนันท่านบอกว่าขโมยขึ้นบ้านมันก็เพียงแต่ขโมยได้แต่ข้าวของขไฟไหม้บ้านมันก็ได้เพียงแต่ไม้บ้านที่ดินยังอยู่ แต่การพนันนี่มันเอาหมดเลยขายของแล้วก็ขายบ้านขายที่ดินแล้วก็ขายชีวิตต่อไปหมดเนื้อหมดตัวหมดชีวิตนี่คือภัยที่เกิดจากการเล่นการพนันจะทำให้เราต้องไปทำบาปแล้วเวลาตายไปเราก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายคือมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งที่รู้จักครับอาจารย์เมื่อหลายปีก่อนเสียพนันบลโลกเป็นหลักล้านแล้ว เขาก็ใช้วิธีโดยการจ้างคนไปยิงเจ้าเจ้าเ จ, จ, จ้ามือใช่ไหมครับเจ้ามือเพื่อจะได้ล้างหนี้ครับแต่ว่าก็ยิงไม่ตายก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครับอาจารย์นั่นและก็อย่างที่พูดนะว่า ม, ม, มันอบายมุกนี่จะนำไปสู่การทำบาปคาว่าอบายก็แปลว่าที่ที่เกิดของอเดลชานของเปรตของนรก มุกก็แปลว่าทวาวรหรือประตูถ้าใครไปเล่นอบายมุกก็เหมือนกับไปยืนอยู่ที่ปากประตูโอกาสที่จะเข้าไปในอบายมันมันนิดเดียวเท่านี้เดือดง่ายมากเพราะเล่นการพนานพอเสียการพนานก็ต้องไปทําบาปละฆ่าเขาหรือว่าไปลักทรัพย์เพื่อที่มาใช้หนี้ต่อไปอย่าไปทำํำบางคนอาจจะคิดในเชิงที่ว่าเป็นเงินของเราเราเสียก็เรื่องของเรา ดังนั้นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอย่างครับรอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าไงเพียงแต่ว่าพูดตามเหตุตามผลนั่นเองใครอยากจะเล่นก็เล่นไปแต่ที่บอกว่าเวลาเราได้เนี่ยเราก็ได้นงด้ได้ได้เงินจากคนที่เขาต้องทุกข์เคนที่เขาเสียเขาก็ต้องทุกข์เวลาเราเสียเราก็ต้องทุกข์ถ้าเราชอบความทุกข์แบบนี้ก็ทำไปไม่ได้ห้ามอะไรมันเป็นเรื่องของเหตุแะผล ที่ถ้ามีเหตุมันก็มีผลตามมาถ้าไม่ต้องการผลแบบนี้ก็อย่าไปสร้างเหตุแบบนี้ท่านนี่เอาแล้วนะนี่ิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปเจริญไปปฏิบัติเพร่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ